แค่ถ like like the the the ้าวัาตัวนี่ย่อมคนต้งเสียบินนี่เขาไม่ะหนี่บ่น่าเลยะจ้าถือ่ามากระเจาเราจอมอยางไรพระเจ้ายนเข้าอยู่บ่พระองค์จ้าวว่าเขาเขาครองค์จ้าวว่าห้ามจะมากไหมครับบู้เลยก็บ่ฮู้หอกเราบ่ฮูว่าเป็นรื่องประชุมหอ อเขาเขาเาเขาบังหาเขาาแหละเขาล้ไปแล้วละเนี่อยาเสียมานะเขาเขามาอาาหอกมากายให้เจ้าหเจ้าเขาหาเนี่ยอยู่คุยกันเนี่เจ้าเขาล้มไฟแล้วเสียเข้นยังมันก็เห็นบ่ในโลกเสียเข็นเกินพุ่มไปมันก็ไม่เห็นแ่ะเสียเข้นพันยาผ่านมันก็ม่เห็นหละพราพันผ่านมันอยู่ในโลก โลกเป็นข้นทา่าองฟูภาในพาคคนเทนท์เถก่อนนเทนท์วัตถุกับเป็นนท่าเรื่องฟูวันที่หกโรกคือยังสียิตเสีใจเพราะหนาโลกมันไา้ใจโรกหายในนใจเสีหายแล้ว า, น า, นาในพาคไม่ใจมันกลับมาเห็น เพรใจเป็นคนท่าเขาทุกคนนพาดนี้อันนีอกว่ใจก็เป็นที่ักว่าใจ น, นี่มันงพานาถ้ามันเป็นทักว่าถ้ำอันถ้ำเป็นคู่กับใจอันใจเป็นโลกถ้ำทั้งหลายมันก็มากแบบคู่กับใจมันก็เป็นโลกเข้กันถ้าใจว่ีเกเรถ้ามันว่มี่เกเรมัก็มาเป็นคู่กับใจหรือรว่าัง ไ, ไงฮะ ใจไม่เสียไม่อำาทีไม่ปัญญาเสียอำาที่ปัญญาก็มาเป็นคู่กับใจเชิญพระอรหัน์หนึ่งผู้พ้นมาท่านตายพระอรหันมาท่านตายใจกับถ้ำมันไม่ยอมม่โกรธไม่ร้องมันก็เป็นคู่กันกับพระพนวันว่าเดือดอตมั้ยังมั้วเข้ายังมาท่านพ้นจับได้สีฮอตเห็นตัวไฟกับยุหันหน้าเหมายหัน สุณชุกขึ้นใช่ไฟกับมันเกิียดเพราตับเพราะปอดเพราะไม่เข้าใจว่าฮันเจอก็โค่นล้มกับมันอันเดียวกันคุณพ้นจากโคนล้มปลอยแล้วมันก็ทดดับแล้วได้ไฟคนดับไฟโมหันดับราคาับโทษสะกับพระตองไลยดับาถ้ามันนับหันได้ที่หันเนี่ยนั่นแหล้ามมีท้านมีเสียมีพ่อวันหน้ามีปฏิบัติใช่กับบุรุษแห่งมานเล ขันามเอาบะหมีซาบมันกับหอยมันกับเว่อเวออขึ้นย่างเต็มสเติมมันเลยอ่อ้ขั้นอรอยว่าผู้พนไปแล้วมันกับเรื่องนึ่งของพ่นน่ะของเสียทีกัวพ่นจุพ่นมันกับส่างวาราเมะมาพอแห้งเข้ากันะม่ใช่ว่าของก็เสียมาซาพอาก็มาส้าบซาบเนี่ยพ่นซาบเนี่ยหอยล้นกับพ่นจุพ่นเนี่ย มันเจกาว่าจะพมจะสาดจะตำแขมมาหกนก้ากระไดเ้เกินขามาพ่หาา น, พนหวัวอ๋อเจ้วมันพ่นนี่สิคือห่อตักมาสินะเมื่อเจ้าว่าตักมาทอะไรทอะไรจะเจ้เข <c oughs> ้ามาเต็มห้เต็มเอยงบัดสีเต็มก็เต็มคู่สีซ้หมาล่ะถ้ามาแทรกสนามไม่ทุกมุมมุมโลกเทศสนามใหญ่กับ กันยังไงจยุทธท้งตตออพวกจีนเล เ, นเอากัน น, นี่นีนทั้ประเทศสน้อยไงละครเว่นมูละครอยู่ตัวจีนเอากันทยก็ท้ายก็เอากันละคคอยสงบไปลไไนนะพด ข, ขึ้นหนขขันพขดคนนี้ยกงคงไฟนี้ในใรโรกท่าไหนี่เจ้าคักที น, น้าโทษสักทีน้ามังขีน่าสีเอาชีดินสะไรมาสมไว้ เมื่อกัพุ่งกันนี้ทเก่าทันะเขาม่้อนผ่พุ่มถึงบ้นหนึ่งกับพุ่ถึงบานหนึงคือเก่าอันนั้นเปนเกีกของชวนตัวภายของือนตัววัานทางมันของชวนเท่าเลยขันเดียห่อนมาก็มาหอนหเท่าขกันนะของยู่ในโลกเม่อหัวเดียวเมื่อเดียวกันว่าผมก็ได้เดียร์ห่อนกัมาเดียห่อนตกันหมดนะใช่โอ้ยใชไหมป้าเนี่ยมัน่อนล่ามากเท่ากับวมามันใบ้านถ้าบ่อข้นเท่าก็มีจะขึ้นกันนอกจากใานขึ้นกันที่ใบไม้มากมู กมเป็นมากมายมัดหลวเทาจะไปรู้ใจนบ่วานี่งเษทสพระพุทธเจ้าจึงบอให้สอนว่ให้ยินดีนะลวงพ่อปูแล้วลตาเพิ่กยังบ่ให้ยินดีโลวหูเพิ่กยังบ่ให้ยินดีหลวจมูกเพิ่งกยังบ่ให้ยินดีหลวลิ้นเพิ่กยังบ่ให้ยินดีหลกายเพิ่กยังบ่ให้ยินดีหลวใจเพิ่กิยังบ่ให้ยินดี พ่อพ่นว่ามาเกิดมาเองแตพระละหันพ่นขีดขาดมาหนึ่งมาคิดพ่นว่มาเกิดอีกหววลวงพ่อว่าหันเบื่อทั่อนี่นึกไปคิดแสบปะนี้ยพระละหันวันนี้นึกไ้คิดเนี่ยพอะละหันตายเลยโมถ้าตายนึกคิดยันีงยโลกผ้าได้เพื่ อ, อการหุงจมูกเลี้ยงกายใจโลกผ้านอกเือลูกฉยงสิน ร, ปรถปฐพะธรรมาร่ม ถไม่มีก็ได้อำนาจกองทุกข์ทั้งนั้นเ่งไหนมไม่มีอยู่ในอำนาจกองทุกข์ผมไม่ในโลกทุกเ ป, เป็นผู้ปกครองโลกทุกเป็นภัยของโลกทุกมาจากอะไรมาจากอุปอาธิคือกิเลสเพราะทัพ์ทั้งหลายผู้บางหลก็กปก่อนกผู้ น, นั้นเหล็กยังทุทกข์ทุกข์ดูเสียดิ้นรนดูเสีย ผู้ไปเราก็ไปเป็นขาดว่าขาดสายคืองปวกเครื่อมดเนี่ยนะพเขาชูผ้าในผ้านรูรูรูเขาผู้ลงบอลหกกับรูไปเสื่อันผูไปเป็นัดเอสารกับรูรูไปเื่อกันหัวหน้าผ้าไปผู้ไปเป็นเพศกรูรูไปเื่อกันบาทางแถลของไฟเข้ามาแบบซืไปเนี่รูกกันว่ขาดจะเที่ย เพาะมันปรารถนาเสมอกัรเมืก็คือควบสุกนั้นมจักเหตุจะเกิดสุกกักระสอบยุ่งสุกซัท่านั้นกะสอบสุกปุ๊ทั้งทุกทุกนันเสียบรรยัตสุกเปลนแยังสอบอยู่ต้อง้องงปูเปียกุ้นบรรยัดสุกเปี่ยนเอยังสอบ มันก้กายไปมันเลี้ยนน่มันมันยากไม่เฮ็นอันตรายมันนะมันสอบสุกมันมันยากต่ผักค็มันสุกมันกดปุนกระโดด้งน้ามุมบ่มุมบมมบเขียดมุ่นถ้านึ่งซุกอะรหมไม่ใชี่หเขานึ่งม่นจะเป็นสุกฉีดตัวจากองบักเอาหรอ้าโรกบันยักเอาุงอะหอ ุกความเพลิหัซุกก่อวามไม่ซับุกเกิดใจใจซับบอดิโพกสุกเกิดใจเพรเป็นนี้เป็นสินเพราะไดนี่นก็เป็นซุกอันหนึง่งนะครับทำงานปราศจากโทษปราศจากสารรักทัพย์ระพฤติขึ้นในกรรมอันนี้ก็เป็นซุกอันหนึง่งสุกความเพลินหับสุกค้ อ, น, ขขอนวั น, นประเทศแต่ซุกถึงพระสสดาบาลถึงพระสัทถะข้ามี่ถึงพระอาณาค้ามี่ถึงพระอรหัน ว่ามันสุกเลยกุตีหลังงามๆเราสุี่ซุกบ่มันซุกังสั้นดสนมละลายกินชีกองงๆกซุกว่ามัุกยังันุกแตน่มีคิเหตุผุกของพรเนธเคยไิ่งี่ยวยาบไม่ิดบอน่อเสียนเคยยินพระออนยาบไม่คมีบอกโมี่แหนบบ๊องนบ พอมันพราะนั่งส้มทวีนถ้าขอรงเรียนถ้าอ อ, ออกกระดานพอมันทมาเนี่ยออ ก, กระดานบักคั่มมันเอาปลาช่งง่าสัญญา่งหน้าวอ่ะโอ้ยโม น, นี่กระดานอะไแล้วก็ซื้ อ, อกระดานมสั่งเอากระดานบักคั่มเนปอยสั่นเธเดินที่บักค่เหรอคนเอ็นรูคนนี้เอา ก, กระดานบักคั่มเนี่ปอยสั่นกระดานพ่อห่อพ่อตัวหอมาเนี่ยมนีซือ เื้อสุาย่ดมากเลยสมัยนั้นเราเดบวต์จู้วมันเราเป็นตำรวจสมัยนั้นสมัยห้าอันขอโรงเรียนเป็นตำรวจแล้วไปมดแล้วเรียนนิพไธ์ ไปมดเลยสบายเไปหมดพวกนี่กระปพวกนี่กรไปพวกนี่กรปพวกนี่กระป๋ายพเดียวกันพวกนี่กระป๋าพวนี่กระปไปยรป้กระป๋ยเยในโลกนี่หละเอเปรียบลูกื่อๆหอกไหนนึก้วนโผ่ออกมาพวนี้บุญร้ายกัไปพักที่สวรรค์พักที่หมโลกพวกนี้บุญพวกนี้บุญกับตาเป็นโลกมรหคนละผู้ขาดท่านขาดศีลขาดภาวนา ออกจากบาราหกมากค่ะมาเป็นชรัพยทีร่รักาโอ้บอมนมาเป็นเพศเ่ากันออกจากเผศมากมาเป็นชรัพยทีร่รากออกจากรพกที่รากามากมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์กับเป็นมนุษย์ที่บริว่า บ, บริสุทธ์โทษอันนี้สองชิ้นหามาเปนของง่ายๆอันนี้สองชิ้นหาเมื่อรักสาชิ้นหา ตัวปาหน้าเทือบาทนึ่เกิดเนี่ยพอไว้สาไดไร้สีมาเกิดเด็กว่าชาดพันชาดต่าตามันี่อายุยืนทั้งนั้นมีหุบโฉมสวยงามอีซ่อมพร บ, บ่บ่ถ้ำรายผู้ใดบริขาดีตีผู้ใดตวัวมันวุฒิกรรมขาสัดมากต่สรางก้อนแต่ว่าอายุยืในสืยืนทั้งเป็นทุกยืดรู้เกือบจทแบบเีบไหว่ายืดหรืซ้ำไหนแต่ว่าได้เบียดเบียนซัดร้ายได้หรือขน ตีข้าหวังเ ข, เยเขเยเียนข้ามุ่งเขียนงวงเขียนข้วมุ่ะเขียนทักปาเนียงจัว่าได้นรับอันนี้สงบนี่นเดียวออกจากมรณะหกมากออกจากเพิดมากคอสมีมา เ, นนเาเป็นค้นนั่นแหละคือเป็นคนนจะมาวได้รับทุกข์ทุกทีหล่ะหรือสมชีมาไปสวรรค์กับพระองได้ คือว่มาไม่อันดับขันค่ดมาแต่วสวัน์เนี่ยขึ้หงอกงามก้อนนี่รูม้มาก <laughs> ช่างมอลคหกคณละคือมรรคหกนรกก็ <laughs> ดกรธอาทิตย์หน้าท่านตายไปไปตกมอรหก <laughs> ออกกอกออกออกจากมรรคหกมากขึ้นเป็ดออกจากเป็ดมากค่ะ น่นเป็นสัตวี่รักาน่าเป็นสัตว์ทก เ, เป็นนกเป็นนี่แบบถือข้าลักเอาลูกเอาเต้าไปกินเหี้ยทั้งวายแต่ว่านก น, าน้อยๆซึ่งมัน ย, ยังนี่นู้เคี้ยวลักกินลกูกมันมันไปมาหาลูกกันไม่เห็นมันละห่างไปแท้วๆผิวกายเนี่ยโอ้มันเป็นขี้เดเ้เวีนไทยก็ไ ด, ด้ายกน กินมึงมึงกิงนกูสาธารณ ก, ก, ก็เคยรักอุลุอเต้าเข้าไปกินอ่ะมาเป็นสัตอรสามเหรอออกจากสัตอรสามมากลัมาเป็นคนเป็นคนกันนี่ยังมากับถือจะเขาลักเขาจีรเขาปลดมม้มยยัง อันนี้สองเส้นหาโทษสองเส้นหาแต่ยุนงนักกันอันนี้สงองสองเส้นหากับไปคนอนแนียโกงเงินขามโทดสองกะเ ม, เมี่กะเมี่ยชีวใช้จานเท่า น, นี้เรือนผูกกับผัวเรียนจบหัวไปนอกเรือนสูกกับเมียเร่องแตเรียนลูกเรีนเต้าพนพลุนทุกคนห้นองแหง ลบพ้นเป็นพระลหันเนยมันกลาเป็นน้ำซสบเมื่อไรล่ละบัตรสตายถ้าพราวนาตายมันก็ต้องปหาบุญตะกรักนถ้าพระบัญชรพระหันเมื่อกรรมอะไรผนมหาบาปอีกละ่กละเว้นไว้เฉพาะเสนาบันรเพาะสวนาบาัราบาในที่วหรือหนทางเลลนีเ่ยสมมุติเราไปฆาตวาดยุกคดี เรนสู้ก็ผัวก็ดนเนสู้ก็เมียก็ดงสิันเมื่อมาเห็นโทษก็เลยมาละเลยมาถึงพระวานวัฒน์่ร้างก็เลยนเลขเนท้าเลีน้านเลยนเบอร์ก็เลยข่าวัดแล้วเมื่อมาเห็นโทษก็เลยละสางเมื่อเ็นอีกกเคลเลยมเสด็จใเคลีอีกกเคียรนแต่ถึงจะพระพุทธมพระสง์นาเดียวทิงนึงวัดเเลขเรีนท้าบูวัดเสดนเีนเบอร์บว่าสิีฮกคบไกลดูวัดเด็การทนั่นทั้งปวง ที่ทิมพระคุณพระธร์มผสมอูนน่ทุกเมืออกำลันขามเนี่ยสามพระโา บ, บัติาครับหลวพ่อถือผีทือสาหลว่ต้องผูกคอตอกแขนไม่ต้องสู้ขวัว่าเยาอะขวัญเยอะวัถักขวัจะปุงฉะ น, น, นั้นสีก่กองบ่อดตองเลยว่าเสื้อพระค่ณพระธรรมผสมอรอรถเก็บตัวมากครับห้าอย่าไมา่กินตากระตะ ยั่งยังยังไม่ยังกัดพรวนาตายบอกว่าด้ไปมรรกพวกไยขาดตัวพาวนาตายตายข้าพราวนาผู้ของสุพเิยปนปโนโอันนี้อันนี้โทษของสุล่ามหันวอกอตายไป ต้องมาละหกจานยมพิบัลตัดริมตัดปากแท่งท่อแท่งไส่เอาเลือดแดงแท่งท่อแท่งใส่เพราะมันกอกกินเหลาลงไปในท่อให้ใส่ตัดริมผอมตัดปากผอมตายยุคกระหันเกิดยุกระหันเป็นตัเป็นโตัเป็นผูเป็นขึ้นขึ้นง่ายๆว่ามันติดตายเป็นได้น่อยตายเราเกิดง่ายตายเราเกิดตายแล้วเกิดยี่ไงฮันยังไงมรหกฮัน เยอแยะนาตายแล้วเกิดขึ้นทนมาห้องแก่บกกูหน้าเราเด็กแตาแล้วเสียบใส่ห้องแก่ใจบกูหน้าสงสารเลยย่าผ้า ก, กันประมาเออ้อวะสั่งแต่ผ้า ก, กันตักบาปฟั่งท่ำฝั่งเทศแต่ผ้า ก, กันอยู่ในขอบเขตเดี๋ยวนีชิ้นมี้ท่ำคนสัางไหม่นสมบัตรสงสารนังสื้ออ้เมื่อนี่ตบมาเป็นพูดอับแลงเป็นไผมากแต่แรกเรอเอ่ ่มันข้มไทรมาพูดทีไรๆคำวแทมข้ามโมล้านเป็นของมือาอยโตอนั้นซือส ม, มนีออกมาจากข้ามโมร้าน่เงี้ยมานเปลยนเป็นค้าไทรคือธรมาทาบธมาแทมซือออกจากเพลิดมาแล้มาเปลี่ยนสัต์เป็นม้าบ่าค้อยบ้าเป็นม้าบ้า พวกกินเหล่านี่ออกจากนั่นมาเอกแต่มาปเป็นคนบ้าใบเสีจเลียดผิ เ, เบื่นโย่โงั่วหาห้อยชาติติดๆกันพวกเสร็จกินเหลเานี่ยร้องสัตวถอ่ะ ท่นสินหามีบริเวณนแล้วข้อนศิรบล่าข่าวฟันกันแห่งหนึงเพราะนั่นก็พ่อหรอกสินหามันไม่มีสินหานี่โรคย่งนี้มันมีที่สินห้าสินผีที่บคคากันอยู่เสมอเนี่ยนั่นบได้ว่าประชมันดไห้ก็ได้หรอกออน้ำมือนี่สักก้อนน้ำของนี่น้ามือน้ำมือนี่บรียบมักผลดีพาดให้แั้วไม่ไดเปิดประตูให้มันกแนงจริงๆเนี่ ยังไงสิจแปเพนผ้าเนะ้นพนง่ายสั่งก็ถึงจะนิบทุกยังไงวัาตาลงศาลนี่แหละว่าของสันเอาโลดว่าฉันพูดใดมองเห็นโทษอ่ะคนคิดว่าท่านเห็นหนโทษนะ่การกินเราบา่าลราไม่ยังอ่อนเต็มที่ เมนค้นกับมันหกก็สิได้ว่าเกิดนักเพ็น่ะมาแต่ว่อผีเมืองวันหกใส้ไม่รู้หระกโตมันอายุสามสิบมันเห็นโทษแล้วโตลูกหลานยังไม่เห็นโทษก็ไมี่ถ้าเศ้ากินเราจะผุนจะเป็นพ่อพ่อมาอะไรผุนต่อายุสามสิบุนจะกี้ขินน้ำขอเดะอยู่ มมันกินอทีอ่หรอหอกว่ามันบวมมีบวมีป่ปิดงเปเชียวหาคือกินกต่าหาแล่งกินกระกรีกระโดกรีหรอกลบได้ไร้จะกินไปเน่าเท่ยนึงี่สาสิาากาฉะนั้นมันก็ได้เค็ดเน่าเทียนึกับมา่งเพื่อนเขาเลยขี่เพื่อนเขาลงด้านนึง เขาเลยทิมลงเพื่อนเจีเนี่ยฮึกูบกคืแี่้ามึง่อแห้งาสั่นกูจะถิมลงนี่ลงี่หาว่ามึงตกเพื่อนาสั่นแ่นมากพี่ส้างไสั่นหารอที่ิงเหรหาย์เจงก้ามือกูเท่าทั้งเดีว่าหารไปแหอกโอ้ว่ะแว่ากูปนพ่อกูจะเอควันสากม้อใส่หัวมันมาั่น กูของป่อพ่อครูว่าบดูอยู่กับสัตว์งว่าซื้อเราก็เฮี้นเท่าเคียร์ดอกไม่จะให้ไม่จะคูนนะเจ้านีนมาก็บเคียบกว่า ง, งแล้วโตกกขลา<ม>ปีนั้มันเ ท, ท่าท่าตัวเท่าท่าแต่งงานตัวเปลี่ยงหญ่าท่าแต่งงานกับเคีดหน่อยมันชุนินหม้อหม้อกว่าง่าห่ะ กำนั่นเขเห็นอยู่กำนั่นเนาะเขาบอเห็นเจ๊แก่นากูเลยมึงเขาจับมึงพ่อแหงมาสังเกตพี่ชายพี่ชายมันเป็นพยาบาลสมัยนั้นเขาเห็นเจเขาเห็นแก่นากูที่ซื้อได้สังเกตเขาเอามึงมาพ่อแหแล้วมึงหูลาพาเปี่าแล้วมึงมันโตขึ้น้วเขาบอกเห็นเจตัวได้แส ถ้าพัดเกิดมากเขาม่เห็นพอกินเหลาจักเทือกเทกันเมื่อเห็นลูกเั็นล้านชุมเอื้ออายุสามสิบเี่ยงเที่ยงไ่งท่านเข้ากินเหล่านี่โอ้กะเถิน้ำนี่กระเถิบน้ำเนี่ยมาเข้ากินเหล่าเน่มาเ้าเรือโลกบกเรืเบี้ยเนี่ยจังใดจังจะเป็นพุดโธทั้โมทั้งโกให้พุดโธเหล่าทั้โมเหลาทั้โคเหล่า พุทธวิญญธรรมโอวิยาสังโฆวิยญชิ้นงานจะเป็นชิ้นของคาราวาเป็นชิ้นของเศ้าโลกว่าเป็นชินของผูใ้ใดคหนึ่งพรวนาฮัทพรวน า, าไว้คนบ่มีพระวนาคนบ่มีขอวด นมมีพระพุทธพระธรมพระสง์ไม่้ิดในใจเขาเรียกว่าคนโมมีขอวัดเขาเรียกว่าคนมมีแนวเครื่องนุงของถือพปัตรเปือกกายเขาไปในวัดคนวนเอือสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับพอปัดแก้พาแก้ซินไปน่ะว่างเช่นกับวางสันอรถมมีแน่วฮวงนุ่งแน่มทั้งในเพอได้บริบยัใสในวัดแน่ว่าแ่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาไปในวัดแน่ว่ามาหันกพระกับพ่ัตรวาขำม่ยเพิ่เบิ่งพว ปัป๊บป้าดักป้าคนอย่างคนเบิง่งมาทางคุกข้าวก็ะไรก็กท่าไหร่ถามเรื่องเรื่องเรื่องขาเรงมัดเรื่องเบือดนน ไ, ได้พ่อบิดงงียงมากสิไม่จะฟังดีดีนั่นแหละทุณ ค, คัดขัธธานว่าคุณจะศาสนาคัดขั้นว่าคุณจะเก่าหูบอกไปอีกหนึ่ง <dengan S 2> ตัวนี้หน่อยกัดเกียมหดหครับ เห้นีขอวัดปแกวัเวลามันนีน้อยพูดพนนรรอ้ยภาวนาพุทโธ่ภาวนาพุทโธจะทำละเส้ยเส้พี่แหน้าเยพี่แหน้าข้างกระดูก พ, พี่นหน้าข้างกระดูกรึยังทำหนี้ชี้ใจบุหัน โชคดีตัวโชคผลโชคบัตดีมันกระตายที่พีกายไงมันมื่อเดืสามบนต่อหล่ะปีนี้มีโชคดีตัวมันจะในมาหอดปีนี้มันจะในสามบนต่อคน ค้นบุญเกิดมาสางบุคข้นบาปเกิดมาสางบาปออจะว่าอยังไรสิสมข้อนอะไรแนอะไแน่ของพระของมันสางตอของพระของมันก็ล่ะว่าเขาสูพันธุ์พันธุ์ใส่แบว่าแล้วล่ะต้องตังค์เชื่วันพุ่นล่ะวันพันิพพันธุ์นล่ะพุ่นใช้กับพุ่นใจนี่ล่ะเห็นว่าพุ่นนี่คือใจก็ต้องเรียกใจนี่ล่ะ พุทธ so ิทถ si so ิง so so ่พ so so so like like ุทธิพระธรรมประสงค์กับมันใจนี่ล่ะผุ้ธิป่ิเถิงกับมันใจนี่ล่ะผุ้สิมีธาตุมีศีลมีทอดวันหน้าพุทธิฮักเจ้าของกับมันใจนี่ล่ะผู้สิเบียดเบียนเจ้าของกับมันใจนี่ล่ะร้องสั้นพุทธิทาให้รู้ใจธาตุตลอดน่าจะของกับมันใจนี้เมือพุทธิีมาญาติเหตญาตทำหนกดินนาใส่รบมังาติเหตญาติทำ เมืม่อว่าง่ายดีนับชัวรน้ำดีนับใช้ลไผ่านออกก็ดีผ่นไม่ก็ดีจหกว่าเห็นกล่องทุกในวันจ่ายสองสามเนี่ยค่ะทนทุกได้ง่างยกว้าค่ะเอาเตจีเซ็ตสิหลับแล้วเมื่อเซ็ต่หลับเเป็นน้าใจท่านอะมใช่ว่าอย่างไหนอ๋อเ้ ไ, ส, ไสีมารับประกันหายยอทุกเว้ยไฟสีมารับประกันหาใจทุกเว้ยไฟสมารับประกันหใจ งไว้เผยสมารับปกันหาใจสมาดไว้เผยสมารับปกันหาใจผมใจท่นตัวพระพุทธเจ้าสอนใจ้คนตายก็สอนคนเป็นอุชราธมาอุชลาธมาไปสอนคนเป็น่มันสอนคนตายมาเพิ่นไปให้บุญคนตายบแอนให้บุญคนเป็นพุญมีคันเล่าแต่สามบุญเล่ากับปัญหาบุญรับเ่าแต่สามวา่ากับปไปหาบาปไล้ครัเพราะเพว่าเอกจากพัน แล้วก็ว่าเหตุทุพัยโยเหตุก็เป็นปัจจัยทั้งสองดีเป็นเหตุแต่ปัจจัยแทั้งดีทั้งซัวก็เเหตุเป็นปัจจัย่ทั้งชัวเนาะสักเพศหงมูหรอเปลาแก็ตไปฟังมันส ะ, ะได้ยินเี่ยนี้อันนี้จาว่าจะฟังขารา ส, สังขารทั้งหลายโเทียงเนี่ยนี่มันเป็ น, น ง, งนนไไนี่่หเบงพระมูฮั่สัเกิดนปลปน้แจกสาราแได้การข้าสูัขนพานแต่สังหูมาซโมโค เสุกก็สั่งเข้ามาท้ี่อาจจามาแล้กิจกรรมนี้คุยกับมาเรานอราเสหงมารยาีนที่ไม่เอ็ดะทระโยชน์กายืดอันนี้กรีตายตะก้นแล้วกีะจะตายตะข้างมากรณีมั่ห้องจะจะสงสัยเ ล, ล่าคำถึงพ่อสรามุนว่าท่นอกว่าประเทศเราก็ตายฟังนคนตายเพราะหน้าบ้าพ่อกรล่างน้าคำเนี่ยของของเล่าผู้ใช้คือห็นเหตุผู้ใช ยึดใจคันยึดใจห้าววัชอนาบข้าวนี่ได้มากเกิดแก่เก็บตายอีกวัชนรกพระสาวตารุกตากตูดตารงบรรทุกวัเขียมบัตสียุสมุทรฉนกไม่ทุกกายทุกใจแล้วสิกา ย, ย่าเป็นทุกข์ผู้ใรกจะทีอยากไม่กายอีกทั้งตัวต้องที่อยากมอาใช้กายอย่างนี้ การไเป็นชว่วงีนมันแก่มาเกยบมันตายมันหิวมันยากสณะหามาใส่บอกจิเเตเสด็จหลวงจิตเด้จกับวบิมเหรียญสันทพุทธเก่าจึงเข้ารับคนพอคนเม ว, ว่าพอเมียเหรืยองมากร่าสิบสามบาลานี่สามประการ พุทธาจุลิยาสิสามบาลีเพื่อเป็ น, นพระพุทธเจ้า่าตทัศจริยจะสาบาลีเป็นสามบาลีเพื่อสคอยายาโลตัศจริยสิสาบาลีเพื่อ ป, ประโยชน์แ ก, ก่โลกพระพุทธเจ้าเเดียวว่าป น, นั้นเนะสาว ก, กเอาตัวอดท่านนั้รามันพูดพระพุทธเจ้าว่าองพุ่นลายพระพุทธเจ้ารงุ่นตายต่างเข้าแล้ว ท่านลูกท่านเต่าท่านน้วยหูน้วยตาต่างห้าว่องแห้งเนีว่าสิได้ว่าสอนห้าวเป็สอนอันเก่าเปสอนไหเด็กไมไหวจะสายคำสอนเก่าเลรออันนี้ออกมานี่ด้วนี่เทศฟังแ่ไหนนี่มาบังเสือกวางแค่ไ ใครมันรงมีวุักนเลยไมันรุงมัเท่ะไรฟงลโอ๊ยเจเจะไรฟล่าใสมันรุงหน่นี่เปกาเพีกันทุกอยู่หนอักพูนะข้าง้มันรงไหโอ๊ยไอ้ตัวสายบ้านไอวสายบ้า ไ่เป็นอรหมเยอะแว่ะนี่เป็นน้ำตัวแห้งพวดมันต้นรบบ้านรบพวดพวขึ้นได้ยพน่นนันกันมีไอ้้กันทำพวกลายอายแล้วเนี่เกิดเป็นยังบ่วอ้เวยเกิด็กที่ไอ้ได้ไหนสิเกิดกระมวลออกจากดาแม่ว่านก็หว่าท่านากระบนุ่งบัดตายที่บัตายไส่แาีไอ อ้แก้ไอ้เจ็บไอ้ตายทีไปี่ไหนสินี่นนี้เย็นๆ่ะิดโลกใหาบาลเขาไปกวดเขาขวดเขาก็กวดเมื่อส่วนทูนี่ออกเหรอสิหายใจแไหนสิเห็นตัเพี่อนเขาพูเห็นผู้เห็นท่ขวดโลกเขาก็ยังเห็นเร่อยๆแค่คนนี้ทุบไปเรินยๆเนี่ย ยืดแต่ตัวบอกเอาหน้าพูโทโ่วน้าเพวหน้าของพายของมันเน้านี่ลองเลยนี่มันเป็นลักสณนกรองทุกขาเห็นบอกแล้วเกิดอฟเน่าไงจะเป็นผูกขาบบอก ที่หน้าทุกเห็นทั้งตัวศาสตร์ศาสกระทุกแกกระทุกเจ็บกระทุกตายกระทุกก็มาห่วงที่ทุกนัดส่วนสวนนี้เอาหันี่ปเห็นเบลูว์วซี่ไปเห็นหูหกตาบอดเท็นเบลูว์วซี่นันก็เห็นอะไรเพราะมันเห็นอยู่อยู่ว่าอย่งไรสเพราะมันเนียเสืออยู่เ็เบลูว์วซี่บัลลังกบาลัยก็ได้มันเป็นจริงอยู่มันเห็นอยู่นันก็บางคนเนีเอามาพี่ยันหน้าเือนกัน เคล็ดลับเคลดหลับเคล็ดลับเคล็ดลับขาบหนียเคล็ดลับขาบเหนียวบรมณราณท่านว่ายังไงโบราณโบราณท่านว่าข้าวข้าวหนียไอ้เลี้ย้ยคราวขวงเนี เส้เหล่าข้ามางอ้อนแล้วเอาเส้นอ้อนนอบระบาดมีเอางางมาข้ามเห็นแต่เ่บุราบอันนี้จะแคนีทราบเคล็ดลับเราบอกให้มือนี่มือนี่มือนี่มือนี่มือนี่มือนี่มือนี่มืเจ้าหนังหงพางกระดูกทั้งหแล้วมือนี้มือนี่หงกอกุกตื่นเศ้ามาหากินมันแช่แช่เห็นหมอ นอนแล้วนอนอกีกกินแล้วกินอีกคีแล้วคีอีกของมันตากองทุกมันจ้ะคนพิเจะหน้ากรงทุกแล้วมันก็เห็นโลกหมดเลยผลรับของโลกกับมกองทุก <c oughs> นี่แหละที่สาคัญเอาไปสุขก่อนเลยก็ะร้างใช่ไหมยึดใจว่าท่านพ้นจากที่เละมันก็เป็นทุกข์ด้วย้ำกันนี่เงนใจเป็นท้าเป็นดินมึงรู้นี่อ่มันจะทำย่อเป็นสุขอะ ยากเขามานอนรับด้วยยางเขามารักกับยานเขามาเอาไปไทยไปถอนย่านเขามาสินเขาอัมแม่ตีนไม่ข้าเป็นดินนึงก็โตยู่ก็ไร้ล่ะเขาชิมมารักไปไทยไปถอนหน้ามาลักกับเขาตบเขาตีเบื่อเนี่ยหน้าไทยที่ร้านเขาว่าฉันเนี่ยมีหลายใจได้เขาแหงเอามาไทยหลายนก เพราะกติตายขึ้กันนะพอาะได้เราก็ได้แมงวันมากินเท่าหอตายเรานอนมากินเท่านอนกติตายขึ้กันนะ่ะบมกมาเนี่ยไว้ใจโลกมาเน่ไว้ใจสงสารออ ผู้เขาคอยเลือกสร้างพงศการกษิริศยาพวกแม่วนมวันนี้ธร์มนุษย์พันมาเห็ดไงนอนมวนนี้หมาบ้างหอมาขาบขาไปเี่ยกันกินกินแล้วว่ากันตายด้วยกันรือหมากระายกากระไม้จบนำมือผู้ฝังผู้เผากากระไม้จำจำบาบ้างนี่เม่ง้อยดะพังเกียตาหาอนาะกิจอตา จอปักจอหู ด, ดังสันวู้แต่ฟังกับเขาอ่ะจอทว่านักจอทว่ า, า, านแวาจอในทองหยุดหยุดยืดเยืดยืด่อนนอนนั่นั น, ว, ว, น, นวิผู้เผาอ่ะฉันวิผู้เผากับ่ิตกิฟุในแง่เนียเฟัง มะเฟ้าโร้ไปฟังนะ่นเียงแข่แย้ ง, งเงควอกดออกมาก็มี้จะห้าง ก, กนันดูคนละเฮ้ตกว่าออ ก, กึนนั่นเพราะันหัวเลี้ยงนี่นแหละหัวกระโหลกหัวซบกระไรลบปุเลยเอากระโหลกหัวศก่อนตักน้มร่างเท้าลบปุรยตักละผลงุ่มใ้ งูสลักไปงูปุรีสมมติปากาห่อนจําทับปุรีผูเบีดยขักเพิ่อนกระดาเฮ็ดถึงพนตถึงขิงปลูกัวพีนงูเสือตั้งนานนางเท่าแลุ้พวมงูงูสลักไป เก็าเงีบหไว้อ้ามาไหวซ่าล่ะอามาไหซ่าล่ะเขาหอยเหรใช่ตู้ไว้นงามฝนตกมากถือกินอยู่ฝนตกมากมันถือไอถือกินอยู่ถือกินเหม็นอยู่นญามังรงบถือยวดกรดิ่งจานทิ้นท่องอนี้อันหนึ่งหูกข้อแขนไว้ทาบครอ๋อ รอมพัดมาหันุนรนๆให้เทศเทดขับของยาพร้อม <c oughs> ให้แทนคนเสนใจให้แทนเซบตนข้าวของยาผู้บายเก่งเช่ไัมจากนี้ท่องกระดาใช้ตัวเรามาไว้บาได้ลอกเขาเขาับไปไะวหานวากระแตกนี้บัด น, นี๋ย่ะ <c oughs> อ่ยเอาไปไ ห, ไปไปหว้หันพอไว้ผู้ไปพอมไว้ผู้ไปสรลาห์คนเนี้ยผมว่าเราแตงนี่มเนี่ย <c oughs> ไม่ไหวเราคนเไม่อเนี้ยคนใดเน้ยสำนัโตัวเท่าไรละคนไหนแล้วถึงความตายคนไนเห็นของปฏิกูล วาที่ถอนคิดถอนใจเพื่อให้ยิน ด, ดีนี่ศาสตร์นีพบเพื่อว่าพอหายหลงนังหงุดเพื่อว่าอห้ยหงห้างกระดูเพื่อว่าหาลหลองานมันเสือันงามกายนี่มีทุกมากมีโทษมากอาพาธต่างๆยอมตั้งเยนกายนีว้สั ห้อยโรคขั้นโรคมันตายอยู่นี่มันเกิดอยู่นี่สารพัดมันจะเกิดสารพัดมันจะตายเห็นไหมมามันตายอยู่นี่มันเกิดอยู่นี่ข้าพเจ้าเกิดมาตายมาหลายชาริหลายพบแล้วโอ้เก่าพมาเมื่อกุชีนาร่าในี่ข้าวเนี่ยมาเป็นชากิครั้งที่เก็บดอวะท่าเพราะว่าเมื่อกุชีนาร่านี่ยเพราะมัน เมื่อกินเมื่องลอนในตะกอนวัดโดยรอบทุดสองงดว่าสัมท่าท่าพระเนตรงท่านสองเวดบางเมืองเชื้สายเป็นคงสุดไทยแล้วท่าสิว็ไดมาเที่ยวในท้องวัดตาท้งสารอีกนสัยืนยืนเหลือเบิงยืนบ่ายืนยืนพือทาน ยืนอาตรงใจพ้กังตีเอานพกำลันสีนน่มันยืนนี่สี่ยืยนนี่สี่มันทหาร ย, ย, ยืนยืนน่สี่พระพุทธเจ้ายืนยืนพระวานาอยู่นี่สีพระพุทธเจ้ามันยืนแบบทานี่สยืนนี่สี่ยนเนยยนอามือฟาดร่อพิจนาประทังนั่งเวสาลีเพื่ะองพระรหั มูห้ามบารมาเกิดแก่ก็ดตายอีกนะน้องไอ้ชั้นสุดท่านี่แหละสร้างห้ามไอ้ั้นมูอห้ามไอ้ั้นพจน์หลอกพระรหลานพจนกระบอยู่่นพระพหลานมิต่พระพหานมดแนพนกรบนีแนวสิดัดเอืนมันถอการเกิดแก่กิดตายมูอห้ามสุดท่านนี้ไอ้ชั้นมูห้ามตักโซออกบ่แล้วไอาชันเรื่องผูกข้อผูกคอผกตีนันใดก็ได้ไอ้ชัน ทราบนี่ปนทาสุดท้ายเขามม่ห้าอีกละเพราะฉะนั้นโม่ห่บรรอบรร้านบ้านยังล่ะเราะะนั้นนั่งพิมพ้าไปล่าพอเจ้าขอซื้อพืนผ้าถ้าเป็นพรเวช ท, ทั้งดอนในหาลูกห้าเต้าห้อง ห, าห้าลูกห้าเต่ากำเวนอันนั้นจะหาไมีแก้ผู้ข่าเรรด้อเพราฉะัน พราะพระ อ, องค์เก่าว่าบอกผู้ข่าวว่าทักนผู้ข่าถามกลับว่าบอกว่าปากทุกข่าหาอยเมื่อคืนเมืวันนนว่าสัน่นผู้ยวว่าสัน่นน้าลูกก่ะน้า้าวันนั้นเป็นวันพุโปสต์พราราเมื่อเรือนเกี่ยวเครื่องพลอยพองทุกทีสองส า, าราตะว่านั่ง็หอดจอดถึงมองเงินโจกรมอสบุตรสาราเมื่อเห็นสองบุตราลูกเจ้ามาดังลูกสาวสารา สามเชิงพบาตวะสองหนนากุลมานอัทุเตหัวสองกลอมท่านแกนไทยอดลงใหม่หอดทิ้งร่มเขกไปสู้อาสมบติข้ารีอยู่พร้อมทั้งู้ันหาอัทุนิคันตามันเป็นพทาวบาลีอันนี้อัทุนิคันตาหั ว, วออกไปพ่ายนอกเียนเจ้ของข้าร่าได้คู่หาเทีอนทำจ่ายดึกหนาใน่น้องร่มพ้าช่วงหิ่ยองเงาะไข่จางลงว่างหาอันดังเขาทออ ลายทั้งพี่นทั้งนองแล้วก่อเมลื้ออุ่นโร่จะอุ่นโล่จะนี่ยมันคำภาษาบาลีอันว่าหออกแข้งกูเมนีนหน้ามันดัง จ, จักเตะแจักทระไรน้ามโนมไหล่คัดเคงเตียมต่อปเป็นทั้งสองใั่เพราะว่าข้องเห็นหนาลูกเต่าพูเห็นพระเวทท่านรอนกับพระปากบ่าวนั่นทำนั็นมือเล่าราคตายฆ้าพู้เขาคนที่ขนาะอันนี้บ่ พอตื้นเมือง้าวมา ก, วก็นั่งกันเลยอนุโมทนาสาธุการโอ้ยวันว่นนี่มีภาพผู้เรงวัชนขม่านี่สองกมมาทั้งกูนูกเกี่ยวอยู่กับตนพี่ก็ได้หาไปท่านเหมือ น, น, นว่านว่านนี่แล้วก็พี่แล้วเนาะวัชนพระเวทสันนอนโอ้ยคำหกเจ็กี้ปัญยังบอะพวกขาฟังแล้วัชนกันพวกขาโว้พวกขาฟัง่งพวกขากับทอนุโมทนาเจา้เมื่อวานนี่แล้ววันอันนี้ปล่อยหายู่ ถมันยืดท่าออกได้ชื่อหายหดด้วยสั่ว์ไหหายเที่ยวไปเที่ยวไหวอย่าของเก่าเน่ะอันนี้มู่ห้าวั่าร่วงทุบต่อนน้านรกรื่องทุบตออตัวรอกอันนั้นสาวุทธเจ้านี่เพิ่งจะไปนักการเมตเนี่ยนี่เทานี้จุ่มงินนั่งบวนวันหน้าตีเอาพอท่านตีเอาพอท่านอันนี้ก็นปารธนาเกดดั่มาสตเป็นพุทิเจ้าศาสตร์เป็นพุทิเจ้า้ประเกิดนี่ตระกูลอื่นนั่งวนวันหน้า หนา้าโกวันว่าหน้ากับหน้ากัหาอันเนี้ยกันหาแ ป, ปลว่าคนนี่ชมดำดำเนีย่ยเขวดำแตะหังหลูกสวยส่อซารี่ผู้พีมาเรียกเล่มห้อวันนีบักท่นเนี่ยบอกอกามักพอกแล้วเบาบางมักสร้างหวานชุกแซ่บซอยเป็นเคียงเรียนเรื่ยงหน่อยแม่ก็น้เอามาสองพิมพผ้ากาแม่ไปเรื่อยยูแต่ที่ไหนเนี่ยกว่าแม่จาม่า แ, แม่ก็ขึ้นต้นหนวดแล้วแ่แม่ก็ขึ้นต้นแค่แล้วพอขึ้นต้นกอแล้วค่อขึ้นตน้นล อ, อยแด้วํา เมื่เห็นขึ้นต้นใหม่ตั้มแล้วหาสั่งขนโบล่านแทงแทงเด็กจริงให้เครื่องเค ร, รื่อให้ไพ่เลาะได้เชิญกล่าวมือห้องว่าได้สั่งปอนั่นแล้วนี่พระพุทธเจ้าลงทุนปอนั้นนละเดี๋ยงยังลงทุนปอนั้นเพราะเมตตาสัดทั้งหลายอยากเปิดพระพุทธเจ้ามาสอนวันงสั่งหลวปู่จามยังเอาอยู่เดีย่ยลบงปู่จามปลอดสารพระพุทธเจ้าอยู่เดีย๋ยห้องนี่ยพวกอ๋อ มันเนมัเกิดมาตายแล้เที่ยวอยผลนันสร้างนี่เราหรอกบวชหดอกพัถนาพุติเจ้าบวชคอยผลไว้ไว้มันนาเน็บมันเกิดมาแกมาเก็บ ม, ม, มาตายสัดท่าบาขววงวนั่พวกปันาเป็นพุทธเจ้านี่ยว่ามันของหนยหนอยเด้พระองค์หนึง่งไปก๊อเนี่ไปก๊อเนี่ เน้นนละนึกว่าบ้เร่างจิตประวัะติปฏิบัติร่าสจิประพฤติทามมาุกขติจาวไว้ไว้เถอะร่างสั่งบาลมียกรนะสัง่งพระองค์นั่นเป็นพระทหารเป็นสาวกแล้วขกลับ ม, มาทางหลังมาอาบาดมาร่างถือพ่เก็เลยพ่ไพ่บาตรปโตออกกร น, น่งมันมีเหตุแล้ว่าสั่ ให้ตัวออกรณตรวก้ดน ไ, นไสักมีเหตุยู่ไ้เข้า น, นี่เดียวนี่าะเฉพาะเป็นเฉพาะเ้าหอกตัวคอ่าเป็นอันตรายอย่างดอกอปไน้อยาะักม่าบาทเข้าสิพาะสักวเบื่อตัเพูดที่เจ้ามันน่าเหน็ดสำเร็จมั น, นมันเดี๋ยวมันเกิดมาตายอยู่วตารุษสามโดนสิปัชนะสาวก ด, ดอกเพาันึกจะสันนน่นนั่นเเพราะยแห่งกฎนันเอ ไ ป, ไปไปไปไปแล้วกนพระเจ้าเอาอาบาไปไข้พระมาเข้าสู่องคกรนะพระองค์นั้นเป็นเกย์ตัวประเด็นย่าๆเนี่ยเป็นพระราเมื่อเสมารบไปรถบ้านสันขานอยนะท่านโยกขบวบไปรถบ้านบไปรถบ้านสันแอลเมือเมือเจ่าเจ้าขึ้นยังไ้ได้สันวะท่านคอยให้ต่าพวกขึ้เจ้าได้ดียวนี่วะท่านโอ้ยวะท่านที่นั่นขอนอยขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าวะท่นแล้ว พอนี่ยูบาอาจารย์นรอขน้อยออก้นรัาร่เนี่ยขอน้อยแล้วคนถอยแล้วแล้วไห่นานึง่คอนออกแล้วอบานี้นะัจังเขาเข้าใจว่าอาจารย์โทรเป็นพระลหันนั่ง่ะพระพุทธเจ้าสั่งปาาร์สั่ทีหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเลยสันที่สองคือพระปฏิจิตสันงที่สามคือพระลหันต่างสีหน้าทศสาวกบังสายบังขวาสั่งที่ี่คือสาวกธรรมดา ถ้าปรารถนาสาวกธรรมดาเขาหรอกมันพนทุกข์กันนแหละสาวกบนใต้บนขวาตัวบบทว่าบเม่ที่ปรารถนาสาวกบนใต้บนขวานอนตั้งบทว่าที่แรกห้วยปนี้เพิ่งขีตัวเพงหขวไม่ใชทานบอ่าปรารถนาพราะแ้งเราว่าสันมืท่ทานพ้นเรว่าสันปรารถนาสาวกของพระศรีเมตไตรบนใต้บขวาสั่ทนนี้เนว่าสัน ตัวที่มาผมก็ตัที่มาเป็นบ้ายังไงก็สันว่าให้จะคข้องนั่นเลยบอแล้วโอ้ขอเจะาพทุกองเท่าไรกสัน้นเลยกล็เลยเศร้าที่แรกปราศรานั่นสมือในบไร้ว่ า, วาแล้วสมือนี่มีแต่าองิดคกองใจแหละเหตุตำรวจน้ำเต่าเหตุไปเดี๋ยวข้อจำเป็นได้เสือสมือ สวนน่ะสวนเวลาละเสือไม่ไหม้มันไข่สะคามาแล้วขอร่ำเสือไม่ไหม้มันไข่สะคามาแล้วแมันคำไมเดียวเนี่ยถ้ามันตอบเสียงตอบพระอาทิตย์มันกระทุ้งนึ่งทุบมเหรอเดียวเนี่ยเสียตายก็พ่อตายเสียงกัพ่อยังสันสนี้สมันไม่เวลาเลยเดียวเนี่ยไม่มเวลาแล้ว ผูนึงที่ยะนาโคตตายพร้อมกลมหายใจก็ออกเพราะพุทธเจ้าอาบอประมาทพระอนม่นที่ยังน่าโคตรตายมือรับร อ, ร, อออรอยขลังพระพุทธเจ้าว่าเหมออะไรเฉยมาเอาอวดพจนานิชันมาเอาเฮียงมันนั่งประมาทอยู่แด้วหนาสั่นพร้อมล้มหายใจเขาออกปวดที่อักขรายาสั่นมันสฉเดืเบือนาค่ายเมาแล้วว่าตาทางสาราสั่นิตใจมันสฉเดืเบือหนาค่ายเมา มันถิดว่ายินดีน้โลกถ้าปวงใช่ไหมครบับทุเจา้าบางองค์กับพี่กานาทุกอยู่บ่เมี่ยกระเว่งินขึ้นบางองค์กับพี่กานาอนี้จังอยู่บ่เมี่กะเว่งินขึ้นบางองค์พี่กานาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเร่าอยู่บ่เมี่ยกระเวเงคนขึ้นบางองค์กับพะ่านาถาดดินน้าไฟล่มสงฆ์ภาครักอยู่บ่เมี่ยกระเวเงินขึ้น บาองกัพี่หน้าทุกอยู่บ่มีงเว้นขึ้นบาองกัพี่น้าพุดโทบ่มีงเว้นขึ้นแต่พุดโทษของคนนั้นมันพุดโทเพื่อพอผ่านเพื่อได้ว่มันพุดโทเพื่อเลือดทั่ผาเพื่อบรรดเพื่อเดือเรงว่าไม้พวกพวกโลุตตะภาวนาเนี่ยพวกโลกิาพาวนาในวันทจะพาวนาเขาเราปรัชนาตั้งแต่สมบัติเนี่ยให้ได้ขายของดีบอกให้ยั่งชั้นให้ยั่งซี้ให้มีอายุมันยื่วันชั้นหนึ่งซี้ให้ได้สู้ผู้ดีให้ได้มีู่้ดีบอว่า อ sí ุ้ยยังไม่ฉีดขาดนหน้าหม้อเออเออเออเออเออเออเออว่าเสนีย์ยักเสีย่ได้ไหมคล้านขายบัตว่หันคล้ยนขายเหียวันนี้พอวาเออคล้ายลูกสอบได้พอวะเออเออเออเออเออว่าเสนีย์ยักเสียวได้ไหไปตะวุกน้ําต้าหัวให้แน่พอวาอันมากเตหัว ต้อได้ป้อเอากระดออไรอยนันสันตบ้อของเขาไม่เป็นพระนารายณ์เหมนยังนันอ่ะมัจะเว็บกูเข้าก็ได้ฮู้จะเสียยังไงคนพวกสัมสูงเราไม่กล้าหรอกห้อยเราฟ้องจ๊กหมดพวกจำจำเน่ะโอ้ยไปลงมาฮะเอคื่อทองอ่ะ เราบ้นนี่เราจัดจานเนี้ยก่อนมันโตนเลยจานนี้ยจับวะอืมมันโตเลยโต อ, อะไรพูดเลยบ้หนาพูรวาซื้อรถดันอนะฮะเออจัดไรบ่ก เออจะไม่น่ะเว้ยไมาเจอรถแอกคนนั่นและว่าท่นเออกระติกเจ็บเหัวน้ตัวหัวกติเจ็บหัวนี่ย่างแหย่มลางเลยผมปรุงวโสดสิเจอพโ่แล้วก็บอกก็เกลียดอยนี่หัวกระตดเจ็บเพราะ่เอาหัวมาเจอบ้าเจ้ไมันหัวลาดเผมปรุงวัเจมรถเจิมคนเลยแล้วขับไปไมดี รถขั้นนี้ก็เื่ากันเลยเจอมใจหฮะน่ะยังจะขาดซัดกัดซัดพวกผิดเนี่ยกรรมยังไปเหตุผิดก็เจอรถขั้นนี้เลยขั้นของใจนี่ว่นเถอะพัฒนาค่ะพัฒนาใจเห็นตัวขั้งพระเจ้ากับพัฒนาใจเห็นกันหลายกมู่พัฒนาอ่านว่าพัฒนาพัฒนาใจบ่กให้ นี่เถือวิพ่บ่หามีเว้วิพ่าในวาระทังสามเนี่ยพัฒนาใจต่อพระนพ่านพระพุทธเจ้าเสืมาตื่นพัฒน า, าเฮงแหวนช่องทางแหวนช่องใจมุน่นเผยประเทศเนี้ดีปันพระพุทธเจ้า ม, มิพระพุทธเจ้าองก์เดียวะเทศอ่ะเรื่องกลางมันทั้งนั้นอ่ะเอามาเทียยู่งมันเรืเรมม่องผีเพิ่นเรื่องไนแก้งเพิ่นฮ้มผาจะ่ม่ก็ฮ้มแหวนกระดูกพระพุทธเจ้าเน่ะ ส, ส, ส, รรสรางอกแทอมุ่น น, าาในใี่นาานนุ่นีมุ่นนี่มุ่นนี่ขี่กระตือพุทธเจ้าสรางบมุนะเป็นของข้ามมในใสพอ้นแกหนาขาซื้อพระพูดประทับประสงค์เขากำลัเหดุตัวเขาเนี่ยแต่แค่แว่ผลวานันบุญของตัวฉันบอกมันถึงมิตร บ, บาปเขา อ, อ่อนใจบาปตัวไม่ฉันบ่ม่บาปเขาเสียบกเกิดได้ว่าตาทรืงสารหมอ พนคนบุญพนกเขาสูพ้นนิพพานมานะบุญพนเต็มเนาะห้ามันบนนเต็มเ้ามาเล่มบุญพันไหนามาเลื่มก้างพันตัวนั่นงั้นโอ้ยเจ้านั่นะพระพุทธเจ้าเลี้ยงค้นมือนึ่งมือ น, งอนึงหลายบรรดาเ น, นาเชิญม่ขาไม่ชี่ซึิพระเจ้าพระสงหลายบรรดาลาข้า สีเป็นเงินสีร้ายปะไหนนั่นเคุณพุทโอคุณพุทโอในท่านอมิตรคุณธมโอในท่านอมิตรคุณสังโอ้ในท่านอมิตรอันนั้นเพราะนี่คุณพุทโท้เนพระสวดาบังฆะฆะฆะามียนะฆะเมีอรหันเนี่ยน่ะละองละองเนี่นั่นเต็มเป็นฟ้าเปนดินไปซื้อมาขาสิได้เพรฉันบื่อแล้วค่ะเนี่ยมันมมัมีละองอันนี้ค่ะเนี่ยมันไม่ทำงานล้านเฉลี่ยกดตื้อติวเลี้ิวหุ่น นั่นหลวง่าของสั้นว่าผู้มีเป็นญาหลายเห็นหลายผู้มีเป็นหน้าหน่อยเห็นหน่อยผลมาคุณพระคุณพระธรรมปสง์สียนตมลงมาเป็นหนึ่งกระางกับแผ่นดินสียศลงมาเป็นแผ่นดิน ห, นนกนหึกระช่างมันจะใหญ่ขนาดสองแสนสี่หมื่นนดผลนี่ถ้าคุมาพระธรรมสงค์บ้นอะไตโรคธาตุนี่มันคุณมาพระธรรมปสง์นจุดมันสีห์ย่ได้หรือ ขาการฟั่นนั่นแท่งการตายนั่นเพี่ยนเห็นกันปัญหาเห็นกันในยุคมิกรสัญญ์เต่อไปนี่สิเป็นมุกมิตรสัญนี่ได้ไงคนเห็นกันปัญหาเห็นกันนะสิงานขันโลดลสอันนี้มันใกล้จะถึงอะไรดิใกล้แล้วเนี่ยีิมะไต่กรส้มห่อหว่าเฮียไม่ทราบเบลนายในวตาสงสารนี่ให้ขยักันยูนี่นะบอกกนี่ เห็นขายากเหนกันเนี่เนี้ยรักษาประหยัด้ห่เมื่ออาศัยอยู่พุกรไ่วังว่าสิบเป็นเพียรไม่ยุนีนีดียอเนี่ยมือาศัยปฏิบัติพระวนาเพื่อควนมทุกข์ซื้อได้เยอะเวพ่องสัทว่าพมอมาอยู่ในวัดตารงสารก็มาสัางน้าท่าบุญเพื่อจะออกจากวัดตาสงสารบ่มันสิบาเป็นเพรตายอยู่ในวัดตารงศารเนี่ยหลวงพองสั์าระวว่าเออ ถึงว่าเป็นเพิเสาเมื่องงื่อนอ้ทอวนย้่นบอกว่าปัดสาเป็นแนี้พลานั่นเิ่นอบอให้ต้องกลัวน่่เา้อยใหาแก่ไ่วน่กา้าหคล้อยใ้ห้อเว้นหว่อืเอ้าหายใจของหายใจออก่านี้พลานนี้พลาน มีภาพแปลว่าปฏิจะในร่มให้แก่คอแปลว่าปฏิจะในอดีตแปลว่าปฏิจะในอนาคตปฏิจ่ในปัจจุบันเห็นมนละ่ะปัจจุบันอดีตนอนาคตเป็นไฟสังขารเ่านั้นพอสังขารจิตตาสังขาหมูขสมมุติมาใส่ดีเทียอยู่เนนันอนนันิตตาสังขารเป็นผู้บั ญ, ญัตนึกคิดจะจิตตาสังขารเป็นผู้บรรยัตอลวงอั่งว่า ถาเนี่ยเจาคนนายมัดล่ะขันพ่นทำมล่ะยิดใจสติแบบนี้เอานแล้วคนนึกคิดท่านบุญบางคนนึกคิดจะตายอยเพราะท่านเหียบข้อไว้แล้วนึกคิดไปถึงนึกคิดไปจะแบนึกคิดไปใช้ท่นกระดิ่ติดอยู่ขันพ่นไปล่ะหมอของท่านเอ่ยว่ายาเสพติดในม่โลกอันนี้ในโลกอันนี้เป็นยาเสพติดมั้งล่ะคมันทานพูดอ่ะยืนเดินน้องนั่งนยาเสติ ผู้กินพักกับปัญญาเสติยืดคือกันนะผู้กินเนื้อกับปัญญาเสติยืดคือกันนะผู้กินไดนขีหรกับปัญญาเสติดกันนะผู้กินได้ขี้เหกับปัญญาเิคือกันนะทีกลยมุนกินจด้ขี้เหร่ส่นว่า <c> อ <oughs> <c oughs> ท่านเดือนท่านนายหรอวันเยืนายเข้ามามด ในปัจุบันในโลกในสงสารอันนี้ไม่ยินดีในโลกทั้งปวงยักษเม็ดมันจักสิ้นคนกระไรว่าองสั้นเถอะไปใส่เห็นจักรกองชุกฝันลุ้มทนเพิ่มหมดว่าพี่ย่าหน้าคนตายสุดเยอะประเทศเห็นจะคนตายเติมโลกในขนาดนี้แต่พี่หน้าทุกสั่งเยอปเะเทศจเห็นจะทุกเสมอหนากองไส้หมแต่พี่่าหน้าทุข์่อวันเ่เียงก็สั่งเยอะปเทศจเห็นจะทุกข์เม่อันเ่เทียงเสมอหนากองไส พี่็นาอนมนมันุัเหลี่ยงปสทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งในตกทไกลก็เห็นตั้งแต่อานมันมันมุนเอ่อดเปอทนกับพี่นาเป็าหน้าสหน้ามดอดเอตลพี่กนาไ่ก็ไปไ่อึดเตอบัดพีนาลมก็ลอดเตัดเสมอภาคกัมดพี่นาตายก็ือกันหลวงอง่นว่าฉันบอกไปนั่นกัน่แล้วมามีประูสี่เรนข่ายเมาในวัตาลสงาเนี่ยเพะงว่าพี่นาร่วหม พี่จนดินแตร่วมงเป็นหนึ่งดินเนี่ยกเจาะพี่ะหน้าามก็ร่วมตงเป็นหนึ่งห้ามพี่จาตายตายใะ้ได้แตร่วมเป็นหนึ่งตายเน่ะร่วมเอเติดเพื่อสันมดกเนี่ยลองสันว่ า, วาคุกข้อจะพะฮาใส่นับแต่พม่าโรมาเนี่ยนะคุกไทยซัดทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายมัดเนี่ยสวรรค์มันไม่เอามาอถูกมันไม่เอามรอนรกมันไม่เอามารอแบบฮกไม่กกเต็มโลกเต็มงสงคา สโนสวน์เว่นสโนว์ไพร์กั น, น, นยืนไปหานาห้นเนกไปอีกขาฟันน้าแขงงายบ้านง่ายเมืองกยุง่นือกในเมืองมนุษย์ตัวเนี่ยบนรนื้รล็อกนเ น, นื่อเมืองผีมันแท้คับ ก, กนันเนยหอมสัตว์ร่อคนมาพาา่วานาแต่ว่าคนแว่าคนประมาทค้นบหักขมสุงเของคนประมาทจะขอ ทำจักของเสียเลาอล่าข่นมาพรนะวนาค่นมารักฟาศิลปหน้าข น, นะนมาเหลี่ยมสายพระพุทธเจ้ายดี๋ยวมันเกิดเมื่อเกิดผ้าเสดถีไปฆ่าว่นวน า, วานหอกผู้คนพระวนาผู้คนปฏิบัติศิลป์ท่มพนลวไปสวรรค์ น, นี่พลาอแ่้วกัมม์ใส่มนุมโลกเทวโลกพุทธโลกโตผูตตต้เหลี่อมสพรนะพุทธศาสานาเข้าไปมรรคผลนั้นโต ข้าวเปโมลลหกกับมันโตข้าวปเป็นเพ็กับมันโตข้าวปเป็นทรัพย์เอกสารกับมันโตปเห็นตัวว่าขงสัตว์อรรถว่าข้าวผู้คนปฏิบัติสินท่ำข้าวไปผ ล, ผลผนิมักผลนิพานกับมันข้าวของพนข้าวของข้าวเา้าเดียวสมหนึ่งก็ข้าวเปม่มลหกก็ม่าจะงอปไปได้ไแล้ ว, วของสัตว์อรรถว่าเชื่อเ่ นั่นโฆมาแขกได้คกุงเทพมาเข้ากับนอนได้วยกันเลยเออนั่นได้ด้วยกันเลยนะครับมันนั่นว่าเห็นไหมกองทุกกอเลยเ่โอ้โหน้ปูสิี่อายแล้วว่าไงไปไปลงพยาบาลสงนต์ตีเวดหน่อนี่นี่นี่นี่นี่รูป้านเนี่ย ลูกหลานลุงหลานคุหมอมาดูสิเนี่ยนี่คนภูคนเขาเล็บไม่มีเว่าสนะที่ว่าลูกหลานก็เพราะพูดมันคนกันเองไม่ได้เรียกว่าคุณหมอมาดูสินี่ยนี่นี่นี่นี่เล็บคนภูคนเขาเนี่มันเกินหินเนีนี่นี่นีมาดูสิเนี่นหมอหนึ่งตายตายหมอหนึ่งขตายอลไได้กันเนาะตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวี ตายเม่ากี้ไปไปสวรวค์ฮูลาโมนเกยควาทุกเอาแต่ทุกันตัวมมาอวดกันเมื่อเกิดแข่งกันมา่เก็บแข่งกันมาตายแข่งกันเมื่อกินแข่งกันเมาขี่แข่งกันเนี่ยนี่ไงว่าตาทรองสารนั่นเนี่ยมเจ้าบอกเออเมื่อเกิดเมาอแกเมาอเก็มาตายแข่งกันมา่แข่งกันเนี่ยนี่เมื่อกินมาขี่แข่งกันเนี่ยนี่ว่าตาทองสารันเนี่ย มา่ญานบ้านงานเมื่อแก้งกันนี่นี่พวกนั้นบัตรทตายกับแบงเมื่อแก้งแก้งอี่เเออเอาเงีนไปเสพปากให้ไวสั่จักบาลเนี่วเงี้ยหมูร่าเน่ยแบบนั้นมากพออยแล้วเขาเคียร์หายี่ตายแล้วเขาถือเอาเป็นของขังเห็่เรไ้สีาตกสาตกันเนี่ยนี่ใหมมือหอบางมือหอ ข่าวหน้าฟอฟไปหนีจากพกจากองสาตัวทีนี้จะผู้ผู้สื่อวกเขาอึดพวกอย่างหอกเขาอย่างกันยอผู้สืพระนิพพานมันอึดเนาวข้าวเขาง้อผู้สืพระนิพพานผู้สื่หวังชยอนะพวขนง้อพวกนง้ออะรยากยากยากกับเรื่อนีพวกเขาง้อบ่ได้าหรอกไม่ไเกียมตัวที่ไปล่ะพระองค์าว่าเนี่ยบ่กำับวะเนี่ย เข้าวนหน้าเนี่ยเนี๋ยวถึงวาเกิดอีกนี่ปรารถนาว่าเกิดอีกองตุ้งหน้าวะหน้าอยู่ยบอ่ะองันหน้าบอองันองันองเชียงไม้เนี่ยหน้าอยู่บ่ะอ ไอแต่เขาพ่อละหน้าเเนี่ยแล้วเหรียญแกแกรับแก๊งออนไหนนี่เก็บไย